เขาขับกันเป่าอาัลโตรดเนะี่ยมันไกลแลยได้ไกลมองแล้วยางมากยางมากไก่เม่นไปสุดยอดสุดยอมแล้วามะมะมยางเ่าไม่ยางไป่ใต่ดอกยางใส่เม่นเม่นเผาผีเขาเป็นหอแต่เต็มซักเขาเป็นหันแ้าเป่าเขาเมมน่ยผิดนมอเตรมวนเป่าพาวานา เขายางใสยางใสร่งารงกายมันก็ไปเป็นก้อนละเป็นเนขา เ, ข ม, เ, เ, าเ ม, า ม, ม่นเขาพีนั่นแหะสมัยก่อนมันจะมีกีดินหลายเป็นร่งหลุมผีเป็นรงหลุมฝังแต่ว่าสมัยนี้เขาเอาไปเผามันเป็นขมเขาก็รู่เม่นอันเป็นเขาหันแล้วไม่ได้ออกแล้วเนี่ยเปียมโตได้เปล่าเกี่เตรียมโตเขามันไกลแล้วเข้าจเป็นไง แขร่างกายมันจะเซนเข้าไปเนี่ยก็คือเม่นเขาตีเลยเพราะมันจะเซนเขาเขาเฝ้าออกซะเฝ้าถิ่มมันจะร่างกายส้นทีนเนี่ยข้ามมาถินเนี่ยไมยความว่าใจหรือผู้ถิ่นเนี่ยใจนี่แล้วมันไปเอาร่างกายมันว่ามันยืดหนังกันมันุนแล้วมันเป็นพ้นเดียวกันไม่ใช่ไข่เดียวกันขึ้นพวกเดียวกันหมดเลยเนี่ยมันว่าเมื่อกัน ตายแล้วว่าหายตายเดี๋ยวไปเข่าเม่นกับนั่ไปมันต้องสิ่มออกใจต้องสิ่งกายบ่ฮัตไว้ฮัดคอยฮัดว่างฮัตสิ่มอันเท่ามงจ็กคอยจังว่างนี่จะเอเียวอแน่วแน่วมากต้องเยนล้เลยเยนไม่โลกนียอันนั่นก็มากอันนี้ก็มากมากไปคือแน่วไปด เ่สร้างกับคนเอาอิ่ละเน่ยสร้างกับร้ายพวกนี้ก็เอาอิะ่ะนี่จะตีเอาใจเนี่ยัตไม่บัน่นแต่มื่เป็นลุกผิดพพุทธเจ้าแล้วต้องขุดไม่ฮัตไม่ัตปล่อยฮัดว่างปล่อยว่างหลวงพ่เป็นแค่เกลือรอกปล่อยว่างหลวงขุดบึงเว้ยดย่งอันตีไอ้ท่ามนนันเป็นแโหยโจบแล้วจบอีกนับแล้วนับอี อนอนง้ใเปี่อนอีนกหนึ่งวันเสรลมีแบ่งมีเงืเออออเเ่อนเป็ น, นปใบเล่เอามัดแตกถก่อนแกแหววแอีกจนน่น้อยเล่ะมีก่อนซ้ำหัวเลยก็ยิบให้เขาก้อนซ้ำยิบหนึ่งเนเปลียนให้ท่านนั่นแหละการเอาออกมันบอกเปลี่นมันน้อยฮับาเนี่ยัใหมันใง่ๆให้มันอยากเอาออกเอาท่านรู้กันดอกวิธีฮัตคน ปล่อยหัดว่างโมเมนต์ฮัตเาปล่อยว่างมันต้องฮักจริงจังเลยเพราะว่ามันบอกถึงโมมีน้ำใจในการพิสิตปล่อยหรือว่างเลยนี่จะเห็นว่าอันเก็เป็นจะได้อยากเอารอยู่ไก่ไปแลกโดบืนไปเอาไปหาอะไรแบบไปซ่อมเลยนะมันเป็นยังสั่นเนี่ยสุดข้นสุดข้นฮันบารีซ่อมเจ็บของ นี่แต่บืนนี่แต่สิไปเอาคันเห็นว่าเขาถือเลขเนี่ยพอไดบอกเลขเกงไปละยุไกมันนด้ก็ไปเหมือนกินเขาซาซาบอกเลขเก่งไปรวดยุไก่คนนี้ก็ไปนั่นแหละพร้อมอยากได้อยากได้เหมือแโมเมนต์แกเขาจาไดนคำหนึ่งกด้เขาสำนุมสำน่อยสำอะไรเขาแล้วเรอยากได้ยุ พออุ่มหยาดมันโน้อยหลายไปแข่เขาแล้วก็อยากได้อยากได้คือเนี้ยเนี้ยนุ่มนุมเข้าใจ่เจ้าของบ่ไต่แต่เขาที่เอามาให้ดีใจหมดอยากได้เนี้ยเจ้าของใส่บ่ได้ก็อยากได้คือท่นละ่ะพุ่มอยากมันหลายในใจเนี่ยมันบ่เคยอยากเต้องเคืออยากเลยบันทัดทัดยะ ฮัเต้ายาดัดสิ้นฮัดว่างฮัดเอาออกมันไม่ยู่แล้วเอาออกซะรักษาสิ้นกับรื้อกันนั่นแหละเอาออกมันข่วมพิษใส่พอดีเท่านนี่หลายแน่าอยู่ดอกซอคุณนั่นซอคุณนี่นี่นนว่าเวาขวนเขาซอเขาเพชรประหวัตค น, นั่นสร้างคุณนี่ว้าวข่วมหยา ว่าเคเจอว้าไปเรื่อยเขาเปิดเข้านายเขาทนห่วยเราแต่ยังว่าอยู่แต่ว่าขมหยาบออกข่มสัวบดีเท่านั้นหละฮัดเอาออกได้ว่างออกรักษสินควมหยาดเดเสียนลั่างแก่เมื่อนั้นเป็นเรื่องของสินนิสัยพอดีเอาออกเอาสินสินหาจักสัวสินหาสินหาสินแก ขินซีดขินตั้งรอยยืที่เจ็ดเนี่ยเป็นรักษายขนนี่เป็นการเอานิ้วสายบอดีออกแล้วก็ยังหัดไปอีกเนี่ยฮัดชาวนาฮัทภาวนาทำกวนสงบนกตอนพี่แดกทำกวนสงบนมันเอาอารมณ์ทิมบาเนี่ยอารมณ์มันหลคุดปุ่นคุดที่ซุดเละไรนั่นเอาทิมออกทิมออกทิมออกแต่มันเหลือน้อยๆแต่มันเหลือบอ่อเอาทั้กันละ มันจะสีแปนคือจะเพื่อนเท่านี้แล้วนั่นก็มากองอันนี้ก็มาตั้งไว้เต็มยัดอยู่บัดเสีเนียนเพื่อนนะนะบัตเสีเนียนเพื่อนนะเอาอันนั้นพิมพ์ออกเอาหนี้พิมออกเอาห น, น่ออนไปเมี่ยนไปเก็บไปพิมพ์พิม์ออกพิมออกหมดบัดชุดท้ายฮอตอี่คุณอยู่ต้องขื่นเมื่อกี้ปวดออกตัดออกเอามาเซ็ตออกอีกคูออกอีกํานะนั่น นั่นแหละมันเป็นสีแปนแท้เป็นสีสะอาดเข้าหนู่กพึ่งัตนเนอร์าวาน้านต้องกินหัดกินซะทันบ่กินหรือบ่ได้สบายดอกในโลกเนี่ยล้วคือสีตายสีตายข้าอยากได้เองละอยากไปจุนหอดมือสายเลยโอยบ่ได้ยังหรอเว้ยหัดกินออกคอนสีตายเนีพมันแปนเนี่ยเพราะมันแปนแล้วไม่คือสีได้สบาย สั่นป็นแดดอันนี้ยัมนีรด้แบดไปพบนาต้านนาาต้องม้มาเกิดยีดละ่ะเกิดมาแล้วคันฟ้าเปนสีดีเกิดมาแล้ ว, ลวคนนนันนี่อกนี่เจ็บนี่ตายอยู่จรนงอันนะ้อะภาวนาภาวนาเนี่นันัดหินนัดปล่อยนัดว่างจ้าคืออะไรยังสัน่นจ้มันโมย่างมันได้ดอกนัดปล่อยหัดว่างหัดกิน ต้อนอยากมันอยากมาแต่น้อยสอนกันจะให้สอนกันจะให้อยากได้อยากเอาเอาันสมมติว่าได้แล้วพอสมควนแล้วแต่ยังบ่พอใจแต่ยังอยากอยากเอาชนะมูอยากเอาชนะมูอยากให้มูย่องอยากนี่คือนี่สียงนี่ไปอยากจริงวะได้ยังมากเหรอมันอยากนอนอันอนันน้นแหะมัน ต้องรักษามันไปคลิบมือแมียตอ บ, บอมือเมเดอร์ด้ยังมากเราต้องรักษาแมนเนี้ยโบเป็นก้อนเป็นตอนเป็นขีนเป็นอันอด่าได้มากก็ต้องรักษาพยายามว่าจะไม่รักษาเนะี่ยจังคือเคียงนี่นะโบโบเป็นโถเป็นตอนมีอย่งดอกคือเสียงก็ได้มากว่าพยายามรักษาว่าจนไถมารวงมะเฟืองเพราะได้แหละรักษา มันใช้มาลงเมื่อเกินเระเครียดใจให้ซึ่งสั่นแหละท่างเจอกับฟองร้องกันตรนี้เพื่อถึงให้ดีนี่เห็นว่าฟองร้องลบลู่ลบลูกันฟองร้องว่าทําำไมเสียตือเสียงอย่างนั้นอย่างนี้เกอนเอาเงินเอาทองกันสุะซึ่งสั่นจะงนี้โอ้ยมันยากกันไรเงี้ยยังไม่ได้ไปเอาทั้งนั่นแหะ ร่งอันเอามาแล้วพอท่านโดนจะเห็นว่าโอ้ยมันมันแน่เป็นแตเตอรี่อ่ตัวนึงกระเป๋าีหนึ่งตัวนี้ร่างอันโดนเลยจนว่าเท่าแล้วใกล้จะตายหรอวก็ะบองโบ้ฮูแจ็กวางบนนีเนื้อเป็นจะเอาเนี่ยตัวนี้แค่เนี่ยนี่มันหลแรกเดี๋วพอสัญญาณซือซื้อแบเตอรี่แล้วหน้าเนี่ยอธิษฐานอัง้านพุทเมื่อกา่านไป่านไปเรื่อยแน้อยโววอกว่าบมานจันอีกแล้วว่ เอากระองเพทนินได้ยนี่ยพวกตเากได้ัดเอาได้มือนึงฮัดใช้มันเนีโดนไปรูอ้อูด้วยาดอกเน่เนยมันว่ามันมวนติ๊บกาบ้าวว่าวใชิบ ก, าบาบก้าววาดอกโดนไปน่ยแต่ี่มีว่าวุ่มนี่แหะซุ่มค้นโบราณนี่แหะยังวา่าวโดนไปแล้นส ม, ยมยนัยใหม่นมนเน่เขาบเบาลยมือนี่เป้าช้าเป้าที่เป้าออกช้มัน พอมีครูผ้าเฮ็ดผ้าถ้ำยืนเนี่ยโดนไปพอมีครูว่าวว่าวจะเรื่องอื่นเนี่ยเหมือนว้าวเรื่องพลัดพักบ่บ่เรื่องข่าวนั่นข่าวนี้บ่ไปยืนสันดิ้งข่าวคนมักกันข่าวคนตั้งกันข่าวคนข่ากันตีกันข่าวเย่ยงพักรัฐบาลพักฝ้ายข้านกันไปยืนสันดิ้งข่าวการเมืองไปหอดข่าวก็ลบล่าต้านกันไปเดือ มันตีโบมีผพู้ไดเว่าข้างในดอกอเดียวกับแน่วอันเดียวพัดปีเข า, าเนี่ยไอ้เนี่เอาเด้มันเผาไปทุกคนทุกคนเนี่ยโบนมันเลือกเนี่ยมันโบเลือกแต่ว่าเี่ยคู่ยังเ่าลวงปอกไผ่ยังเผาอย่างเงี้ยโบแมนเนี่ยมันเาน่าไม่ต้องกันมือเนี่ยค่อยๆสอดใส่สอดใส่สอดสจังนอยเขาติดจับปลอมของเมื่ ม, มื่อเทละขึ้นเนีย ไตแล้วไตแล้วจังเปล่าเอาอนไรก็สิว่างเลยนี่เปลาว่างอันว่างบออกมันจองข้อไปนั่นหนูเด้อนะบันเลยครับมัน